มีผู้หญิงชาวองกฤคนหนึ่งนะเธอดูข่าวทางโทรทัศน์แล้วก็เห็นข่าวการจราจนข่าวการเผารถยนต์รวมทั้งข่าวครา ว, าวเกี่ยวสงครามเธอเห็นแล้วก็รู้สึกเศร้านะแล้วก็รู้สึกว่าทำยังไงนะโลกมันถึงจะดีกว่านี้ได้มีความสงบสุข แต่ก็รูสึัว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เกินตัวของเธอก็เลยรู้สึกท้อแท้เมื่อมีวันหนึ่งเนี่ยเธอไปที่ไปสนีนะแล้วก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งดูยากจนมากไม่มีเงินซื้อสตัมเธอก็เลยให้เงินเข้าไปนะจะคิดเป็นเงินไทยก็สักยี่สิบาทได้นะครึ่งปอน บอกว่าเขาดีใจมากเลยนะเธอก็แปลกใจนะเงินเล็กน้อยแค่นี้นี่มันมีความหมายกับผู้ชายคนนี้มากเลยเหรอเธอก็รู้สึกนะเกิดกำลังใจขึ้นมาแล้วก็ได้ความคิดได้มีความคิดว่าเนี่ยฉันน่าจะทำความดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนแปลกหน้าคนที่ไม่รู้จักควรจะทาทุกวันเลย และนับแต่นั้นมาเธอก็ตั้งใจนะเป็นปณิธานเลยเธอจะมีน้ำใจให้กับคนที่ไม่รู้จักทุกวันนะแล้วเธอก็พยายามทำอย่างที่ตั้งใจนะมีน้ำใจนี่มันก็ทำได้หลายอย่างเธอบอกว่าเนี่ยตั้งแต่แค่ทักทายยิ้มให้หรือว่าให้เงิน กับคนที่ยากไร้ซื้ออาหารให้กับคนไร้บ้านรวมไปถึงขนของให้กับคนแก่ช่วยคนแก่ขนของนะเอาขึ้นฝนะเพราะว่าคนแก่นี่ก็ในเมืองนอก น, นีก่ก็อยู่คนเดียวซื้อของจากร้านแล้วก็กต้องขนนะกลับบ้าน บางทีก็บ้านก็เป็นห้องอยู่บนตึกลำบากเธอก็ช่วยขนให้เธอก็ทำนี่ทุกวันนะจนกระทั่งครบสามรหกสิบหกวันนะปีนั้นมันมีสามรหกสิบหกวันแล้วเธอก็พบว่าเนี่ยชีวิตเธอเปลี่ยนไปเยอะเลยนะแล้วที่รู้สึกแดงเนี้คือเธอมีความสุขจิตใจมันอิ่มเ อ, อบิบรู้สึกอบอุ่น ก็มีความหวังด้วยมีความหวังว่าโลกนี้มันดีขึ้นได้นะขอเพียงแต่ว่าเธอได้ทำความดีมีน้ำใจให้กับคนรอบข้างหรือว่าคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักแล้นะเธอก็เล่าประสบการณ์ของเธอเนี่ยนะให้กับคนรอบข้างฟังนะซึ่งมัน ก, ก็ตรงกับประสบการณ์ของหลายคนนะ ว่าเวลาเราทำความดีช่วยหรือเอือ้อเฟือฟ้อผู้อื่นแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่คนที่เราช่วยก็จะมีความสุขนะเราเองก็พรอมมีความสุขด้วยอันนี้นักวิทยาศาสตร์ก็พบว่าเนี่ยเวลาทําความดีมีน้ําใจให้ใครเนี่ยนะมันมีผลต่อสมองนะทําให้สมองนิ่หลังสารความสุขทําให้สุขภาพดีด้วย อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่าคนเราเนี่ยถ้าหากว่าเรามีน้ำใจช่วยเหลือเอือ้อเฟ้อเพื่ออื่นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนรู้จักไม่ใช่เฉพาะเพื่อนบ้านแต่คนที่เราไม่รู้จักคนแปลกหน้านี่โอ้มันมีความหมายมากและมันถ้ามีความหวังนะว่าโลกนี้มันจะดีขึ้นได้ด้วยการทำความดีเริ่มต้นที่เรา ความดีนี่ไม่ต้องยิ่งใหญ่นะไม่เป็นต้องยากลาบากก็ได้แม้เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆมันก็มีความหมายก็พอดีนะช่วงนี้เนี่ยมันก็มีการทําคลิปวิดีโอเนี่ยธ น, นาคารจิตอาสาเนี่ยก็ทําทคลิปหนึ่งขึ้นมาเนี่ยตึ่งปล่อยมาสักสองสามอาทิตย์เนี่ยคลิปนี้ชื่อว่าจิตอาสานะ จิตหมายถึงว่ากระจิตริต์นะคือก็บอกว่าเนี่ยจิตอาสาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะต้องไปลงทุนลงแรงอะไรมากสิ่งเล็กๆน้อยน้อยเนี่ยมันก็เป็นความดีที่มีความหมายและในคลิปนี้ก็มีภาพนะคนทำดีต่างๆกันในสถานที่ในบรรยากาศต่างๆกัน ซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตเลยแต่มันก็มีความหมายนะเช่นขยับที่นั่งนะให้กับคนที่กำลังรอรถเม์นะเพื่อนี่ไม่รู้จักนะ mm hmm. เขากำลังยืนรอรถเมย์อยู่เราก็ขยับที่นั่งให้เขาหรือขยับที่นั่งให้กับคนที่กำลังยืนอยู่บนรถไฟฟ้ารถเมย์ขยับที่นั่งให้เขานะ หรือว่าแบ่งปลักให้นะเดีย๋ยวนี้ตามสถานที่สาธารณะมก็มีที่เสียบปลักนะบางทีถ้าเราแบ่งปลักให้เขาได้ใช้เพื่อเสียบชนะาร์จไฟเนี่ยมันก็เป็นน้ําใจที่มีค่านะหรือว่าชวนหรือพาน้องหมาข้ามถนนนะน้องหมายบางทีอยากข้ามถนนนแต่ว่า ไม่รู้จะข้ามยังไงนะอ่ะก็ช่วยเขาพาเ้าข้ามถนนบางทีก็มันก็มีทางม้าลายอยู่แล้วนะพาเ้าข้ามทางม้าลายไม่ใช่น้องหมางเดียวนะคนแก่ด้วยเรื่องคนตาบอดเนี่ยเวลาเข้าห้างนะเราก็เป็นจิตอาสาได้นะเพียงแค่ยืนชิดขวานะเวลาอ่าอยู่บนบันไดเลื่อนนะ บางคนเนี่ยเขารีบนะแต่ถ้าเราไปยืนชิดซ้ายเนี่ยมันก็ไปขวางเขาคนหนึ่งยืนชิดซ้ายที่เหลือยืนชิดขวาเนี่ยไอคนที่รีบเนี่ยมันก็ขึ้นไม่ได้เราก็มีน้ำใจน ะ, ะยืนชิดขวาเมื่อคนอื่น <c oughs> เปิดช่องให้คนที่รีบเขาสามารถที่จ ะ, ะแซงขึ้นบันไดเลื่อนได้หรือว่า ตามห้างเนี่ยคือว่าตรงที่จอดรถเนี่ยคนเข็นสินค้าแล้วแล้วก็วางรถเข็นเนี่ยไม่เป็นที่เราก็เป็นกิจอาสาช่วยเก็บรถเข็นให้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเลยนะเป็นเรื่องง่ายๆที่ทำได้ขอเพียงแต่น้ำมีน้ำใจหรือเวลาอยู่ในออฟฟิศเนี่ยนะที่ทำงานเนี่ยก็ช่วยแม่บ้านนะ เขาเก็บแก้วเนะียประชุมเสร็จนี่องค์ทีมีแก้วเต็มโต๊ะเลยแม่บ้านก็เก็บคนเดียวอ่าแล้วก็สามารถที่จะช่วยนะแม่บ้านเก็บแก้วได้หรือช่วยเช็ดขอบอ่างในห้องน้ำนะช่วยแม่บ้านทำความสะอาดหรือว่าช่วยปิดไฟนะเวลาไม่มีใครใช้ในออฟฟิศ คือแม้แต่ในวัดก็ตามนะเวลาไปซื้อของเนี่ยเราก็แสดงน้ําใจนะห่วงใยโลกนะไม่เอาหลอดนะไม่เอาหลอดหรือว่าเอาปิ่นโตนะไปใส่ของแทนหรือว่าไม่เอาถุงเนี่ยเพื่อลดปัญหาโลกร้อนหรือว่าลดมลพิษ วมันมีอะไรที่เราสามารถจะทำได้มากมายในชีวิตประจำวันในที่ต่างๆแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่ามันก็มีคุณค่าทั้งต่อส่วนรวมต่อผู้ที่รับความช่วยเหลือแล้วก็ต่อตัวเราเองด้วยนะมันทําให้เราเป็นคนที่ใส่ใจและมันทําให้เราเนี่ยมีความสุขได้ง่ายและสิ่งนี้ถ้าช่วยกันทานะโอ้มันก็ทาให้โลกดีขึ้นนะคลิปนี้เนี่ยมันก็เป็นการ ชี้ชวนว่าเนี่ยเราสามารถจะทำดีได้มากมายทุกวันนะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเลยการไปจิตอาสาไม่เป็นต้องไปถึงกับไปเยี่ยมคนป่วยนะหรือว่าไปปลูกป่าซึ่งตอนนี้ทําไม่ได้นะเพราะโควิดนะแต่ว่าในชั่วประจําวันนี้เราทําได้อะไรเล็กน้อยได้มากมายแล้วเขาก็ปิดท้ายนคลิปเนี่ยบอกว่าเนี่ยโลกนี้ยังมีความหวังนะถ้าทุกคนเนี่ยนะ ช่วยกันทำความดีแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยที่เรียกว่าจิตเนี่ยกะจิตฤทหรือจิตจิตอาสาเนี่ยอันนี้ใครสนใจก็ไปดูคลิปนี้ได้นะมันจะทำให้เราพบว่าเนี่ยการทำความดีมันทำได้ตลอดเวลาเลยจะเรียกว่าบุญก็ได้นะไม่ต้องมาวัดหรือมาวัดไม่ได้ก็ทำดีไม่ว่าเราอยู่ที่บ้านอยู่บนถนนหรือว่าไปซื้อของในร้านนะ่ะ